เอาดับไฟในที่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟัง <c oughs> จะได้กล่าวอะไรบาลบให้กระสัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเวลาหลวงพ่อพูดห้ามถ่ายลูกน้ลูกหลานนะอยู่ในความสงบเมื่อลูกพ่อหยุดพูดแล้วจะถ่ายค่อยถ่ายเวลาหลวงพ่อพูดจะไปคุยกัน ถ้าใครมีเสียงโทรศัพท์ออกไปคุยันกันกันข้างนอกมาบรบกวนเวลาพวกเราฟังไม่ดีให้อยู่ในความสงบที่สดุดขณะที่ฟังวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2557 เมื่อเช้านีหลวงพ่อออกมาจากวัดประมาณตีห้าตีห้าครึ่งมาก็มาฉันอยู่ที่บริษัทศูนย์การค้าที่พวกญาติโยมทางกรุงเทพเนี่แะขึ้นไปทำศูนย์การค้าใหญ่อยู่ที่อุดรแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดแปดสิบแปดรูปแล้วก็ จะมีการทําบุญเพื่ อ, อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงพระบรมราชินีมือเช้าเนี่ยแล้วก็ได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อตึกสงอาพาศโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพื่อดูแลสงอาพาศ เช้าเนก่อรู้สึกว่าได้จตุปัจจัยมากพอสมควรเนี่ยนะครับศรัทธา ญ, ญาติโยมอุทถวายเพื่อดูแลสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยได้ประมาณห้าแสนกว่ากว่ามากพอสมควรจากด้านหลวงพ่อก็ได้มาขึ้นเครื่องลงมาที่กรุงเทพการมาคราวคราวนี้หลวงพ่อคงจะได้ไปฉันที่ การกรมช่งางทหารอากาศไม่กรมช่างการช่างการช่างการซ่อมการซ่อม เ, อเครื่องบินและท่าอากาศดอนเมืองหลวงพ่อจิรวัตรก็คงจะไปด้วยการมั้งวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปหลวงพ่อจะฉันอีกข้างนอกแต่มาคราวนี้หลวงพ่อไม่ได้ฉันที่สวนแสงธรรมนะอนานัสธาญาติโยมลูกลาน แต่จะยังไงหลวงพ่อพระมาทั้งหมดรวมทั้งหลวงพ่อด้วยห้ารูปแต่จะเอพระไว้ที่นี่สามรูปวันพรุ่งนี้แต่หลวงพ่อจะไปชั้นข้างนอกสองสองรูปลงมาคราวนี้แต่ว่าคราวต่อไปอคราวต่อไปก็คงจะได้ลงมางาน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่พวกเราเคยนัดการทอดผ้าป่าสามคัคคีถ้าว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อเองก็คงจะลงมาวันที่ 27-28 ในช่วงนั้นก็คงจะได้มาฉัดที่สวนแสงธรรมพร้อมกับคณะสมครูบาอาจารย์เหมือนกับครั้งก่อนๆแต่มาแต่ละครัง้งหลวงพ่อเอง ก็นึกเป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันเพราะพ่ อ, พอแม่ของเราพ่อของเราคือองค์หลวงตาได้จากไปแล้วพวกลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาธรรมะบางทีบางแง่บางมุมบางเรื่องพวกลูกหลานก็คงจะยังไม่เข้าใจเรื่องวิธีการปฏิบัติแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานนั่น หลวงพ่อไม่ได้ห่วงลูกหลานทั้งหลายเต็มจิตเต็มใจในการาทําบุญทําทานแต่เรื่องศีลนี่ก่อนคงจะได้เขี่ยวเข็นกันบ้างาแต่ให้มองหลายๆมุมเรื่องรักษาศีลสรุปแล้วก็คือเขาเราเราเขาเขาเราถ้าเรามองเขาเราเราเข า, เ, าเราก็รักษาศีลไม่ยาก เ, าเพราะอเนกสงแห่งศีล คุ้มคองมีแต่ความสุขกายสบายใจไปนัสถานที่ใดไม่มีเวรมีภัยเขาเราเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราเราทําไม่ดีต่อสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาเขามาทำกับเราเขาโกหกเขาเขาโกหกเราเราดื่มสุราขาดสติ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วล้วนแต่เสียหายเราเรารึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสินข้อเหล่านี้ให้พุทธบริษัทของพระองค์ประพฤตปฏิบัติพวกเราจึงยอมรับว่าพระปิชาสามารถแะพระปิชาความเฉลียวฉลาดของพระพุทธจเจ้าไม่มี อันไหนที่จะเปรียบเทียบได้ทั้งท่านจะพูดในแง่มุมใดก็ตามพวกเรามาวิเคราะห์ดูแล้วรองยอพวกเรายอมรับว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบหาที่ค้านไม่ได้เพราะนั้นเราจึงยอมรับพระพุทธทางธรรมบังสังขังสระนางังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพวกเราจึงยอมยอมพระพุทธเจ้ายอมพระปิชาาสามารถของพระองค์ที่เราคิดในแง่มุมใดแล้วก็ยอมรับพวกเรายอมรับตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเราจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา จะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องกิตตภาวนาหลวงพ่อเองอยากจะเน้นเรื่องจุดนี้แหละเรื่องกิตตภาวนาพระ อ, องค์หลวงตาของเราเพวกเราคิดดูให้ดีซะว่าหลวงตาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยไม่ใช่ท่านเรียนหนังสืออย่างเดียวน ะ, ะท่านไม่ใช่ท่านทําอย่างอื่นท่านบอกว่าเราเป็นพวกผู้บริสุทธิ์เราเหมดจดจากกิเลสเราเป็นพระอรหันต์พูดง่าย จุดนี้แหละจุดที่เรายอมรับออยอมรับที่ว่าท่านประกาศว่าท่านคือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว เ, เพราะว่าในการพูดของท่านที่ท่านยืนยันท่านบอกว่าเมื่อเราได้เงินห้าบาทเราก็บอกว่าเราเงินห้าบาทในเมื่อเราเมีเงิน เ, เป็นเศรษฐี เ, เศรษฐีขนาดไหนที่ว่าเศรษฐีหมื่นล้านขั้นระดับเศรษฐีว่าแสนล้าน เ, เราก็ได้ได้แสนล้านครบแล้ว เ, เราเป็นเศรษฐีเรามีอันนี้ก็คือองค์หลวงตาแต่ถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเราไปถามด้วยซี้ว่าแนวความคิดของหลวงตานี่เป็นยังไงอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ประเทศไทยแล้วกลุ่มพระคณะสงฆ์กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งหลายก็บอกว่านิพพานเป็นอัตตาลกลุ่มหนึ่งก็าบอกเป็นนิพพานเป็นอนัตตาเขาก็ไปถามหลวงตาหลวงตาครับนิพพานเป็นอัตาหรืออนัตตาตามที่หลวงตายืนยันในธรรมที่หลวงตาว่าได้บรรลุแล้วหลวงตาบอกว่านิพพานคือนิพพานนิพพานไม่ใช่อัตตา นิพพานไม่ใช่อนัตตาแต่นิพพานเป็นอัตตาคือตัวตว น, นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ผิดแต่นิพพานเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตวนของเราอันนี้ก็ไม่น่าไม่น่าใช่เพราะว่าเราจะพิจารณาที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะต้องใช้ธรรมะอนัตตาคือปฏิเสธ ไม่ใช่ตัวตนของเราและทันนี้พระนิพพานจะเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธซะเองมันไม่ถูกคืออนัตตาเป็นกุญแจเปิดเข้าสู่ไปสู่พระนิพพานคือกุญแจนะมัน เ, เป็นเครื่องที่เอามาพิจารณาเอามาเปิดประตูไปหาพระนิพพานไปถึงพระนิพพาน แต่เมื่อเปิดประตูแล้วนั่นแหละเลยจากนั้นไปอันนั้นแหะคือความบริสุทธิ์คือนิพพานในเมื่อเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนอกจากเลยจากโลกสมมุติสมมุติไม่ได้เพราะอันนั้นคืออะไรเพียงพูดได้แต่ว่านิพพานนิพพา น, นังประมังสุขขังอ่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพูดได้เพียงแค่นั้นอันนี้คือหลวงต า, าท่านอธิบายไม่มีใครที่จะคัดค้านหลวงตาได้ทุกคนยอมรับอืมใช่ นี่แหละอันนี้ก็คือท่านยืนยันในตัวของท่านในเมื่อท่านยืนยันในตัวของท่านอันนั้นก็คื อ, คอจุดที่พวกเรายอมรับว่าหลักธรรมคําสอนอที่พวกเราน้อมรับยอมรับนะั่นคือความบริสุทธิ์การภาวนาของท่านแต่ถ้าเราเปรียบเทียบขึ้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่าน สวยราชของราชตั้งแต่เป็นกุ ม, มารพระบิดามอบราชสมบัติให้จนถึงอายุยี่สิบ้าปีของราชสมบัติอายุยี่สิบเก้าปีพระองค์หนีออกจากเวียงวักไปถึงตามลำพังไปอยู่ในป่าดงพงไผ่หกปีปก็เท่ากับอายุสาสิบหกปีปีที่สามสิบหก ปีสาสิบห้าเต็มย่างสามสิบหที่ท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตได้ตัดสรูพระพุทธจากนั้นเมื่อได้ตัดสรูุแล้วนั่นแหละนับจากที่ท่านได้ตัดสรู้แล้วนั่นแหะในคืนวันเดือนหกเพน็น์น่นเป็นจุดที่โดดเด่นเป็นจุดที่ประสบสําเร็จสมความมุ่งมั่นปราถนาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้ว เพราะสิ่งที่จะทําให้เราไปมูมเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนั้นเราได้กําจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือที่พวกเรานับเคารพเคารพนับถือเนี่ยก็คือตรงนี่แหละตรงที่ตัดสรูเนี่ยเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตคือตรงที่เป็นพระอรหรัน ตรงอีหลงตาอีกเหมือนกันที่พวกเรายอมยอมรับน้อมรับในองค์หลวงตาก็คือองค์หลวงตานี่คือท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคือเป็นพระอรหันต์เพราะท่านในจุดนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะศึกษาทีนี้ก่อนที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจุดนี้นะท่านทําอย่างไร เ, เราถ้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้า ก็เาเถิพระพุทธเจ้าแต่เรายัางเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่หลวงองหลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนและองหลวงตาที่นำมาประพฤติปฏิบัติสอนพวกเราแต่องหลวงปู่มั่นสอนก่อแต่องหลวงตาท่านก่อนนำทำคำสอนของอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่มั่นมาแนะนำสั่งสอนองหลวงตาดัางนั้นโลงตาได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่หลวงปู่มั่น แนะนำสั่งสอนดวงตาเดกมาแนะนำสั่งสอนพวกเราอีกต่อหนึ่งแต่ท่านก็เคารพพระองค์หลวงปู่มั่นอย่างสุดๆเหมือนกันเพราะว่าทำไม่เหมือนตาราการสอนในตำรานอีกแบบสอนธรรมทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเออเป็นที่ยอมรับอย่างอย่างถึงจิตถึงใจจริงๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น ที่องคหลวงตาไปครว ะ, ะพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครพอท่านไปกราบกราบด้วยความถึงใจจริงจริงกราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆกราบด้วยความตั้งใจจริงๆในการกราบขององคหลวงตากราบด้วยความตั้งอกตั้งใจจากนั้นก็เมื่อกราบเสร็จแล้วท่านก็ตั้งปนมมือ บนศีรษะของท่านลำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มัน่นแต่ ล, ลึกอย่างไงเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วเราซึ้งใจเพราะว่าโอ้องหลวงตาท่านเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านท่านเคารพด้วยความคัดคารวะอ่อนน้อมจริงๆด้วยความถึงใจจริงๆที่เรามองเห็นแล้วซึ้งใจทุกครั้งที่ท่านได้ขอไปกล่าเออ ไม่ใช่ตะลกข้อเห็นคนเดียวคนอื่นเห็นก็ซึ้งใจที่ท่านเคารพในครูบาอาจารย์ของท่านแต่เนี้เมื่อเราเห็นอกับกิริยาอย่างนั้นแล้วทำไมหลวงตาจึงยอมอ่อนน้อมถึงขนาดนั้นหลวงตาไม่ใช่จอ่ อ, อ, อนน้อมต่อใครได้ไงนะ่ายๆแต่หลวงตาอ่อนน้อมต่อองค์อาจารย์ของท่านคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอ่ากไร ออสอนกรรมาฐานให้ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเมื่อหลวงตาเข้าไปกราบคารวะองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าเออมหาท่านได้เรียนมาจนได้เป็นถึงกมหาทางฝ่ายปริยัตแต่ขณะนี้ที่เข้ามาปฏิบัตินั้นที่ปริยัตของท่านนะถ้าจะนำมาเปรียบเทียบแล้วจะเอามาพิจารณาและจะเอามาทบทวนไม่เกิดประโยชน์ ให้ท่านเอาเข้าในตู้ปิดไปไปเลยอย่านำเอามาใช้อะไรทั้งหมดที่ท่านเรียนมา เ, นเมื่อท่านเข้ามาแล้วให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะเหยหลงปูมั่นท่านสอนหลงตาท่านไม่ให้เอาเมแบอภาวนาเป็นอย่างนี้แล้วจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเออเอาปริยัติมาเปรียบเทียบขั้นนั้นขันนี้ชั้นนั้นโูมินี้ที่ได้เรียนมาท่านบอกว่าอย่าไม่ต้องเอามา เอาเข้าหีบไว้ก่อนเอาเข้าตู้ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนยังไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านในขณะนี้ในเมื่อท่านภาวนาไปแล้วต่อไปภายภาคหน้านั้นเมื่อท่านรู้จริงเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะปริยัติจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านท่านจะเปรียบเทียบยังไงออพิจารณายัางไงเปรียบเทียบยังไงไหลไปได้ทุกหัวไหลแหง่งเพราะออปฏิ่านหรือวา แนวความคิดของท่านมันจะเชื่อมโยงกันแต่ขณะนที่ไม่เกิดประโยชน์จะเอาเข้ามานะถ้าเอาเข้ามาสับสนเท่านั้นอันนี้คือองค์หลวงปู่มั่นท่านสอนลงตา่านให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียกนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เ, เวลาเดินจงกรมก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธแต่หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำคณารยญาติโยมลูกหลานเหมือนกันวิธีการนั่งสมาธิ อย่างที่ลุงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งแต่ลุงพ่อเองก็ยังไม่ได้พูดให้คณะรัทธายาโสมลูกหลานได้ฟังการนั่งสมาธิอย่างองคโหลตานั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขาวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงก่อนที่จะนั่งสมาธิให้กราบกราบไปทางศีรษะที่เราจะนอนกราบไปทางหมอนแต่การกราบทั้งนี้ทั้งนั้น เราไม่ได้กราบลมกราบแรงนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือกราบพระคุณพระคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนสรรพสัตว์ทางหลายในโลกให้หูแจ้งตาสว่างให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นบรมมครูที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาจากนั้นท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคาสอนออกมา จากนั้นพระสงฆ์อริยะสงฆ์สาวกนับแ ต, แต่พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาพระรหันหรือว่าสมมุติสงฆ์เป็นผู้มีศีลก็ได้นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพร่ให้กับพวกเราได้ฟังเมื่อได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เราก็ยอมรับนี่แหละเรากลากพระคุณคือพุทโธธรรมโมสังโฆหรือมากกว่านั้น ถ้าเราไม่ได้ทําวัดอย่างวันนี้วันนี้เรากาพุทธคุณระหว่ากาเยนวจายวเจศัสวะพุทธเถกุกัมมังประกตังไมยาอย่างข้าพเจ้าได้ประมาทผัดพังพระพุทธเจ้าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออันนี้ขอพระพุทธองค์ทรงประทานโอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําวัด uh ถึงอย่างวันนี้ เ, เราจะกลับก่าวย่อๆก็ได้เมื่อกับ <c oughs> เมื่อกับพุทโทรธธ ร, รมโมสังโผเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งนั่งประนมมื อ, เ, อเราว่าเร า, เรานึกว่าพุทพทพุทโธพุทโทรธทำโมสังโผประมาเทนะทวาระตะเยนคตังสพังอัปลาตังขะ ม, ะมัทเมพันเต ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ ส, สงฆ์ด้วยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมขอพสสระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดอโห ส, สิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสั่รวมระวังต่อไปอย่างนี้ก็ได้และจากนั้นเราก็กราบคารวะครูบาอาจารย์อีกว่ามห้าเทเรปรมาเทนะเถเรปรมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนกตังทัพพังอปา ร, ร า, า, าถังคามธทเมพันเต ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูนมหาเถระปูนเถระปูนอาจารย์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาเถระเหล่านั้นโปรดโอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สํารวมต่อไปอันนี้เราจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพื่อเราบางทีเราอาจจะจิตใต้สานึกของเรา ได้ประมาทพลาดพังไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือได้ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจเนีเราก็จะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็เนี่ยนั่งกัดสมาธิขาขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ป น, นมมือสะก่อนคือไหว้ครูอีกครอบนะึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโทรธธรรมโมสังทโฆสามจบ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 เราผูกอาฆาตไปกระเทานั้นเขาก็ตายเราก็ตายไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเขาตายเราอยู่คนเดียวในโลกเราตายไม่เป็นเอออันนั้นพอเราที่จะแข็งกร้าวไม่ยอมใครง่ายๆแต่ปันจีเราก็อีกสักวันหนึ่งเราก็จะตายอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราการตายนี่ก็ไม่แน่นอนอีกต่างหากกี่ว่าเราเท่าแก่ชราชก่อนจึงจะตาย ấy. มันก็ไม่น่าจะถูกอีกอคนตายน้อยหนุ่มก็มีต่งเยอะแยะ พวัะนั้นเรายืมยืมวันอยู่ฮะยืมเป็นวันๆอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทจากนั้นเราก็แผ่เมตตาุทิศส่วนกุศลข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขถ้าเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการปรารถนาจากนั้นเราเอามือลงแล้วกจากนั้นข็กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถที่องค์หลวงตา พาดําเนินที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงตาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุธโธพุธโธถ้ามันเผลอไปบางครั้งมันเผลอเราบริกรรมให้ทีๆพุธโธพุทโธพุธโธพุธโธพุธโธพุธโธไทับในความรู้สึก น, า น, านั้นๆอันนี้แหละคือวิธีเรานั่งนานนานเท่าที่จะนานได้อันดับแรกเราตั้งนาฬิกาดูก่อนก็ได้เอาข้าวไปเจ้าจะนั่งสักสานาที ก่อนที่เราจะนั่งให้ปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรไว้ทั้งหมดไม่ให้มีวิตกกังวลอะไรทั้งหมดในขณะที่เราที่เราจะนั่งสมาธิไม่ให้มีอะไรเข้ามาคิดเข้ามาเป็นเรื่องวิตกกังวลในขณะที่ที่เรานั่งปิดไว้หมดจากนั้นเรากนนั่งด้วยความตั้งใจอะไรจะเกิดมันก็เกิดในขณะที่เรานั่งสมาธิสามสิบนาทีต่อมากอสักชั่วโมงหนึ่งเป็นยังไง นั่งชั่วงโมงหนึ่งหรือสองชัวงง่วโมงถ้ามีโอกาสถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่วันว่างๆเราก็พยายามนั่งอบ ร, รมจิตใจของเราในเมื่อเรานั่งได้ครั้งหนึ่งสองครั้งอจิตใจไม่ให้มันเผลอไปไหน บ, บังคับให้มันอยู่แปลว่ า, ว บ, าบังคับฟังนะใครๆว่าไม่ใช่ตามใจไม่ใช่นั่งคิดแบบลอยๆตื่นเรือนยังไงก็ได้ไม่ใช่ถ้ามันเผลอไปให้บังคับ หลายครั้งต่อหลายหนมันจิตใจของเราก็จะอยู่นิ่งได้เนี่แหละอันนี้คือวิธีการที่จะทาจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้ว เ, เรียกว่าผ่านความสงบแล้วนั้นได้เวลาแล้วก็ออกจากสมาธิพอออกจากสมาธิเราก็ป น, นมือซะก่อนข้าพเจ้าก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ ที่เป็นบุญกุศลข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมงสาคะาญาติในอดีตชาติในปัจจุบันใชาติตลอดถึงพ่อแม่ผู้บ่ายยานผู้มีอุ ป, ปการะขุนทั้งหลายขอให้มีความสุขทุกทุ่งทุงทงทกทุทุกทุกท่านทางว่านดวงวิญญาณของท่า น, นอยู่ในสถานที่ได้ขอให้มารับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในพราวนี้ ทาว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าข้าไปเจ้าเองนิอุปสรกคใดก็ตามบุญกุศลขอให้เกื้อนุเกื้อคุณหนุนอย่าได้มีอุปสรกดนานับประกาศให้ราบลื่นทุกอย่างไปโดยโดยศีลโดยธรรมทุกพวกประกาศจากนั้นเราก็ออกจากสมาธิอันนี้คือการนั่งสมาธิวิธีการเดินจงกผมการเดินโยกผมให้กําหนดเส้นทางอย่างน้อยสัก เราเก้าทดลองเก้าดูซะก่อนสบเก้าเก้าแล้วประมาณส5บห้าเก้าเป็นอย่างน้อยรวยี่สิบหรือว่ายี่สิบห้าแต่ไม่น่าจะเกินสามสาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านกาหนดแตกนั้นเราเรากหนดเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็ปนนมือในสุดทางจงกรมัง จ, จงกรบข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นเราก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกนะที่เราจะกําหนดเดินเนี่ยายจะ ก, กลมทางเดยยัง ก, กลมเราสายนี้แหละจากนั้นไปถึงนี้หรือเอาจะไมากิ่งไม้พาดไปกระดาเรียกออกใบไม้พาดไปกระดาษเรากําหนดเส้นทางทางเรียบราบไม่ให้มีอตอมีหนามีก้อนหินเกลี่ยออกให้เกลี้ยงเพื่อไม่ให้เราเหยียบสะดุด จากนั้นเราก็ป น, นมืออยู่สุดทางจงกรมข้างในข้างหนึ่งป น, นมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆจากนั้นเราก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือลงเอามือลงเอามือขวาเข้าข้างในมือซ้ายอยู่ข้างนอกในระหว่างท้องน้อย เ, อเราไปสานกันครถ้าท่างายขึ้นมือขึ้นมาก็คือ มือขวาของเราก็อยู่ข้างบนมือซ้ายก็อยู่ข้างล่างถ้าห ง, งายมือขึ้นมาแต่ที่เราไม่หงายเราประสานกันพอประสานกันแล้วก็ขาเก้าขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโถไม่ต้องเดินช้าแต่ไม่ต้องเดินเร็วเดินตามปกติที่เราเคยเดินเปลี่ยนนะการเดินก็คือการเปลี่ยนริยาบท แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพิธีการรดยังกมหลวงผู้มั่นท่านบอกอย่าไปเอามือควายหลังเอ่อมือควายหลังดูดูแล้วมันท่านักเกรกอย่าเอามือกอดอกอ่าเหมือนกับคนเจ้าทุกอย่าเอามือควยแขนธรรมดามันเหมือนแสดงความไม่เคารพให้เอามือประสานอันนี้แหะคือท่าลำพึง ถ้าคิดถ้าคุ้นคิดหาสิ่งใดซึ่งหนึ่งในจิตใจของพวกเราคือเอามือประสานที่ท้องของเราแล้วจากนั้นก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทพุทธโอันนี้คือเดินจงกรมจากนั้นเมื่อเราเดินนาน30 4สิบี่ิหรือ้าสิถึงชั่วโมงพอส่งควรแล้วเราควรจะตั้งนาฬิกาก็ดีเหมือนกันนะใหม่ๆ เพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งนันิการเดี๋ยวมันปอบแปบเข้ามาเดินไม่ถึงส0บนาทีก็เหมือนกับเป็นชั่วโมงพเพราะอะไรเพราะมันเดินจึงกรมต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันไม่อยากจะให้เราเไปแย่มันเล่นนะคล้ายๆว่ามันหวงมากมันติดภพติดชาติมานานมันจะไม่ให้พวกเราเข้าไปแย่ลังต่อลังแตนของมันมันจะปกป้องไว เพราะนั้นเ ม, เมื่อเรานั่งสมาธิเพียงสิบหรือจะสิบยี่สิบนาทีดู ด, ดูมันเป็นชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งนาฬิกาใหม่ๆเราควรตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้ขานเดินจงกรมมันนานเท่าไหร่วะตั้งนาฬิกาเสร็จแลว้วก็เดินขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโทไม่ให้จิตใจส่งไปข้างนอกไม่ให้จิตใจกระสับกระส่ายไปทางอื่นก่อนที่จะเดินยจงกรมอย่างที่วาดปิด โทรศัพท์อะไรทุกอย่างอยู่ในความสงบหาหมุมสงบที่สุดแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยในจุดนั้นที่เราจะเดินจากนั้นพอเดินเสร็จก็ปันนมือขันยางที่ว่าอุทิศสวนกุศลแล้วก็ป้่อยออกแต่ขณะที่เดินน่นนะขาขวาพุดขาซ้ายโถเรียกว่าเราอาจจะนับก็ได้ทดลองหาขาขวา อขาซ้ายนับขี้ขาสารขวานับคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่เราเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือขาซ้ายนับหนึ่งขาขวานับสองขาขาซ้ายนับสามขาขวานับสี่ไปถึงร้อยร้อยเก้าแล้วกลับมาหนึ่งเอกทำมันไม่เพล่ะถ้ามันเพล่กระมันเพล่ที่ตรงไหนเพราะว่า เราขาขวาขาซ้ายนี่ยเป็นเลขขี้ขาขวาเป็นเลขคู่ถ้าหาว่ามันเผลอมันจะขาซ้ายเนี่เป็นลูกเลขคู่ขาขวาเป็นเลขขี้เอ่อวิธีการนั่งสมาธิก็เหมือนกันเวลากําหนดลมหายใจเป็นเลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้แต่ถ้ามันเผลอมันจะคู่ขี้คู่ขี้เอ่อมันจะสลับกัน สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสังเกตในการภาวน า, าไม่ใช่ว่าจักแต่วานั่งจักแต่วะทำไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางาไม่ใชไ่ไม่มีการสังเกตให้พวกเราสังเกตดูให้มีสติสัมปชัญญะในการากระทํานั้ น, นนะ บ, บังคับให้มันจิตใจให้มันรวมสงบแต่เมื่อจิตใจของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความพยายามอยู่ จิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะลูกหลานจิตใจสงบแล้วแน่งมีความเมื่อ ม, มันสงบแล้วนี่แหละท่านว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมีความสุขลึกซึ้งจริงๆริงจากนัน้นเมื่อเราภาวนาจนจิตใจสงบของเราเป็นพื้นฐานแล้ว แล้วจะเดินทำเดินทางยังไงในจุดนี้แหละเอะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีคนเข้ามาถามบ่อยเหลือเกินเอบ่อยที่ว่าเวลานั่งสมาธิเขาจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วคิดว่ามันจะเป็นปัญญาวิปัสนาออกไปเลยเอตามตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาจะว่าไม่มีทางท่านพูดอย่างนั้นได้แต่บางท่านบางคนก็เป็นก็มี แต่บางท่านบางคนของไม่สามาธิไม่จำเป็นพิจารณาเลยแต่ผู้บาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้ในเมื่อจิตไม่เป็นสามาธิจะพิจารณาไปเลยมีแต่สัญญากับสังขารมาลงมาต้มไปเลยไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะอไรเพราะว่าสัญญากับสังขารมันนําหน้ามันล้ำหน้าไปเพราะนั้น ต้องทำจิตใจให้สงบบางครับให้จิตใจสงบสะก่อนเมื่าจิตใจผ่านความสงบแล้วจึงนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปอันนี้ก็คือเ่อพ่อแม่ครูบายจาแต่อง์หลงตาท่านบอกว่าขณะที่นั่นนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมหาจิตใจสงบสงบดีครับมีความสุขนี่ว่านัตติสันติพรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีลวงตาท่านยอมรับน้อมรับจิตใจสงบเน่งแต่ลวงปูมัน่นเถอะอ่าเมื่อเมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วให้ถอนจากความสงบไม่ไปพิจารณานะพิจารณาร่างกายพิจารณากระโดกระไรหรือว่าพิจารณาเกี่ยวกับกรรมฐานห้ากระไรเกษาผมโรมาขนนะะักขาเลพันตาวันตะโจหนัง ให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกลุ่เป็นของไม่เถียงแท้แน่นอนเป็นของที่ไม่รังถาบอันนี้การพิจารณานะพิจารณาเนี่ยกรรมฐานห้านี่นะหึืพิจารณาเข้าไปถึงตับถึงปอดถึงลำไส้ของเรามปนอยู่ในสภาพเช่นไรก็ให้เห็นตามสภาพของมันในร่างกายของเราหรือเห็นกระดูกเขาแขวนกระดูกมนุษย์ไว้ที่ไหนกระดูกคนไว้ที่ไหนจากนั้นเมื่อเรามานั่งภาวนา จะกำหนดร่างกายของเราเหมือนกับโครงกระดูกนั้นก็ได้คือเอาคงกระดูกต้นนั้เป็นหลักแล้วก็พิจารณาโครงกระดูกของเราให้เห็นโครงกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะคอแขนกระดูกชีบโครงกระดูกสันหลังกระดูกเอวกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าให้เห็นให้ชัดเจนในกระดูกของเราอันนี้ก็คือการพิจารณาทางวิปัสสนาเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้ว บังคับให้ออกนะนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่จุดที่ที่พ่อแม่ผู้บ่ายจารย์ของเราให้ความให้ความสาคัญแต่เมื่อไม่ไม่นานมาในหลวงพ่อเองยบพบโยมที่เขาปฏิบัติธรรมเขาไปอยู่ที่ตะกอนเขาอยู่ที่ประเทศลาวเขามาหาวัดหลวงพ่อบ่อยจากนั้นเขาก็ไปอยู่ที่พมา่าไปอยู่ที่รัดฉาน แต่เนี่ยเขาจะไปส่งไปเพราะเขาเขาเขางานยูเอ็นอะเขาทํางานยนะู <S <S เอ็เน UN. จะนั้นเขาจะส่งไปนู่นสูดานนะเขาก็เลยขอขอขอเจ้านายเขาขออยู่ที่พระมหาเขาเขาเลยให้ไปอยู่กับพวกมอญนะตอนนี้พวกมอนก็คือต้นตระกูลของพระธรรมยุทธ์ของเราอยู่มอญ น, นะสาัาสัทธายาทยโอมลูกกระตนะิอพระมอน แต่ทีพออยู่กับหมอสมอสเขาแข่งในาศาสนาส่วนเนี่ยเหมือนกันนะเอเขาบอกว่าเวลานั่งภาวนาผมก็ไปนั่งโอ้โหเขาทําจริงทําจังนะหลวงพอ่อทั้ทงรัดฉานก็เถอะมาถึงมอสมอสก็ยิ่งเคร่งพิธีการนั่งภาวนาไหว้พระโสวดมนต์แต่ผมไปฟังฟังผมไปเห็นเห็นแล้วมันต่างมันต่างจากของเราที่เราได้ศึกษาผมได้ศึกษาใน ขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนในเอ็มพสามของหลวงตาท่านบอกว่าเวลานั่งภาวนาจิตใจเขาเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะเป็นปัญญาไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแต่เขาผมก็ถามเขาว่าเป็นไงการนั่งภาวนาเขาบอกว่าจิตใจสงบเวล า, นานจะจิตใจสงบแล้ว ค, คุณทํายังไงต่อไปเอา้าไปทาให้มันสงบสิเดี๋ยวมันเกิดปัญญาเอง มันเกิดไหมมันไม่เกิดเหมือนกันมีแต่มันมีแต่ความสงบนี่แหละผมได้ยินอย่างนั้นแล้วผมก็บอกเขาอยู่นะแต่ผมก็เป็นโยมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงถ้าว่าผมเนี่ยจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์สายลูกตาเนี่ยหลวงพ่อเองเอ้ผมเองอยากจะให้ไปแนะนําสั่งสอนเพราะสมาธิเขาดีอยู่แล้วพวกนั้นผมมั่นใจว่าเมื่อเราไปแนะนําสั่งสอนไปบอกกล่าววิธีการเดิน ปัญญาผมคิดว่าเขาคงไปได้ดีผมว่า น, ะนี่ก็คือโยมเขามาบอกต่นี้หลวงพ่อเองก็ได้ดินผู้ที่เข้ามาประพฤติธปฏธิบัติปกวันเนี่ยในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำยังไงต่อไปเพราะมันนิ่งมันสงบแต่มันจะออกบังคับไม่ออกไปพิจารณามันไม่ยอมออกหลวงพ่อ พอออกไปแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่กลับย่อออกมันกลับเข้ามาอีกกลับมาหาสมาธิมาหาความสงบอีกหลวงพ่อโอนี่แหละที่พ่อแม่คุยไบกันสายกรรมฐานที่หลวงตาที่ท่านพูดท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้จุดนี่แหละจุดที่จะเดินวิปัสสนาท่านบอกว่ามันไม่แพ้กันนะท่านบอกมันไม่แพ้กันที่เราจะเข็ดเขี้ยวเข็นให้จิตของเราเป็นสมาธิเนี่ย กับเวลาเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราเขีย้ยวเข็นให้จิตใจของเราเดินวิปัสสนามันไม่แพ้กันมันไปลักษณะเดียวกันเพราะนันก่อนที่จะออกไปสู่วิปัสสนานี่ยต้องบังคับขเขี้ยวเข็นเหมือนกันบังคับให้มันเดินให้มันออกจากสมาธิไม่ให้มันไม่ให้มันพักอยู่ในสมาธิไม่ให้มันนอนอยู่ในสมาธิพยายามบังคับให้ออกแต่เมื่อบังคับออกไปแล้ว ยังผู้บาดการองหลวงตาพอออกไปแล้วมันตะเลิดเปิดเปิงเที่มันไม่ยอมเข้าจริงเพราะมันโอ้ตายการไปพักข อ, อนนอนอยู่ในสมาธิเสียเวลามากๆากเลยมันไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนกับคนไปนอนเอออยู่เฉยเมื่อเราพิจารณาเอ้ออะไรสิมันจึงจะถูกเห็นมรรคเห็นผลเห็นกิเลสภายในใจของเรากิเลสตัวไหนตัวกี่ไหนราคะโทสะโมหะมันเห็นได้ชัดเลย เมื่อพิจรารณานแล้วมันไม่ยอบเข้าสมาธิเตลิดเปิดเปิงไปหลวงปู่มั่นก็ขูอีกเหมือนกันวันนี้จะเป็นบ้านี่ยบ้าสังขารบ้าหลงสังขารสังขารคือความปรุงแต่ง เ, เพราะนั้นถ้าต้องให้เข้าสมาธิให้ไ ด, ดนะ้นี่แหละถ้าว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเรานี่ อ, อ หลงทิศหลงทางไปเหมือนกันนะ่ะเพ้อเพอเป็นบ้าเป็นบอหลงตัวเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเสร็จแล้วต้องกลับให้มาเข้ามาหาสมาธิให้พักผ่อนให้เข้าให้ได้ในเมื่อเข้าสมาธิแล้วเอพอประมาณแล้วพักผ่อนแล้วออกไปพิจารณาออกไปทํางานเมื่อไปทํางานแล้วมันเหนื่อยเพลียเพราะการพิจารณามันมันมันเหนื่อยนะ่ะ เออมันเหนือ่อยคืาเมื่อออกไปทำงานมันเหนือ่อยกลับเข้ามาสมาธิมาพักผ่อนเอากําลังใจในการนั่งสมาธิพอพักผ่อนเสร็จนาไปพิจารณานี่แหละต่างกลัมต่างวาระในขณะที่พักผ่อนไม่ต้องคิดเรื่องพิจารณาในขณะที่พิจารณาอย่าไปคิดเรื่องเรื่องถึงความสงบนี่แหละให้ทํต่างทาต่างกลัมต่างวาระอันนี้แหละวิธีการเดินมัก ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปุ่มมั่นของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะนักทาญาทโยมผู้ที่ดําเนินหรือว่าภาวนาไปถึงจุดนี้แล้วให้พวกเราให้สังเกตและก็พร้อมกันบางท่านบางคนพอภาวนาลงไปกําหนดลมหายใจเข้าหายใจลมมันหายลมมันหายหายวับไ ป, ไปแล้วก็มาหายลมอีกมันก็หยาบขึ้นมาอีกพอหยาบขึ้นมาอีกอนั่งภาวนาละเอียดละเอียด ลมหายอีกแล้วก็ค้นหาลมอีกพอได้ลมแล้วก็มันหยาบขึ้นมาอีกไม่รู้จะทํำยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือจุดนี้คือจุดหนึ่งอีกเหมือนกันในเมื่อจิตใจของเราภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจ อ, อกจิตลมมันละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนลมหมดบางคนก็กลัวตายก็มีอีกนะพอกลัวตายขึ้นมาสืบลมขึ้นมีมันก็หยาบเออ อันนี้ก็คืออันหนงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองเงื่อนทั้งสองอย่างเราไม่ต้องกลัวตายเรามีความรู้อยู่เราไม่ต้องกลัวตายให้รู้เมื่อบดลมแล้วเราไม่ต้องหาลมไม่ต้องกําหนดลมไม่ต้องหาลมอีกเพราะมันหมดไปแล้วให้จิตใจกําหนดอยู่ตัวผู้รู้ใครใครรู้ว่าลมลมหมดใครรู้ว่าลมหายไปไม่ต้องหาลม อน้อมจิตตัวยนำจิตนำความรู้สึกเข้ามาหาตัวผู้รู้ให้ใรู้ตัวเองถึงมองตัวเองให้รู้ตัวเอ ง, องเ อ, ง ใ, หเองให้จิตดูตัวที่ว่าใครรู้ว่าลมหมดให้จิตย้อนเข้ามาหาจุดนี้นั่นแหละต่อไปอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะค่อยว่ากันมันจะอีกไปอีกมิติหนึ่งในจุดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทยาญาิโยมลูกหลาน ทางหลายวิธีการประพุทธปฏิบัติธรรมเรื่องจิตถภาวนาเป็นของลึกซึ้งมากแต่เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องเหล่านั้นอา่ามันเป็นคล้ายๆวะมันเป็นมองเห็นได้เป็นของหยาบแต่เรื่องจิตถภาวนาเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นพระกรรมาฐานโดยมากกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบด้วยความลึกซึ้งถึงใหญ่จริงๆเพราะท่านสอนทางด้านจิตใจสอนธรรมะ ออกมาจิตจิตใจที่ท่านได้ผ่าไปแล้วท่านจึงสอนให้เราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านพระกรรมฐานท่านจึงเคารพไม่เหมือนปริยัติปริยัติถึงจะเรียนสอนปทอ .9 ก้าวไปแตสอนตามตำราเพอเพอลูกศิษย์จึงมีความจำแม่นกว่าเหนือกว่าอาจารย์ที่โดยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะความจำแต่พระกรรมฐานไม่เป็นอย่างนั้น ภูบายการที่ได้ได้ผ่าน เ, เรื่องสมรรถะและวิปัสสนาผลทางวิธีการปฏิบัติอย่างไรท่านจะแนะนําบอกกล่าวที่เป็นทุกสิทธิของท่านที่เข้ามาศึกษาเพราะนั้นเวลาเจ้าศึกษาแล้วมันออกมาจากจิตใจพอออกจิตใจมันซึ้งในจิตใจพอปฏิบัติตามโอ้ใช่เราติดจุดนี้จริงๆอยางนั้นยอมรับในเรื่องนั้นๆจึงเคารพ ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตาเคารพหลวงปู่มั่นเคารพอย่างสุดๆอจะว่าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์ถึงขนาดนั้นอท่านจึงเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เรียกอาจารย์ธรรมดานะพ่อแม่ด้วยพั้งครูบาอาจารย์ด้วยนี่แหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพระนริตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนืวิธีการภาวนาถึงใคร ถ้าบอกท่านผู้ใดภาวนาไปถึงจุดนี้ก็ให้ฝังเอาไว้เพื่อศึกษาแต่ว่าเมื่อยังไม่ทําไม่ได้ก็พยายามทําจิตใจให้สงบไว้ก่อนปูปูพื้นฐานไว้ก่อนพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่างที่ว่าเวลาเรานั่งทํำยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้สอนพิธีการได้นยังกรมเราทํำยังไงในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วแต่เนี่ยเราต้องบังคับให้มันออกเดินวิปัสสนา ต้องบังคับนะที่นี้นะไม่ใช่จะให้มันออกอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> อย่างที่หลวงพ่อพูดเขาพูดที่เขาไปอยู่กับมอรจมาชาวมอรเอขามีแต่นั่งสมาธิแล้วให้มันออกเป็นปัญญาเองมันเป็นไปไม่ได้ตรดนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรายืนยันพวกที้ปะพิญญาไม่ว่ากันพวกทันทาปัญญาพวกทันทาปัญญา ต้องบังคับให้ออกแต่ถ้าพวกคิปปิญญาน่น้อยมากอาพอฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตัดกิเลสในในพระไตรปิฎกพวกเราก็ได้ฟังมเมีแต่พระอัจาย ช, ชิสอนภาษาลิบุตรที่ท่านไปพบกันครั้งแรกภาษาลิบุตรตามไปถึงอัจ ช, ชิท่านอาจา ช, ชิท่านชอบใจในอาจารย์ของไข่ อาชีพบวกเราชอบใจในพระพุทธเจ้าสา ม, นะสามะสมณศักดะ์ยบุตรพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ของข้าอาจารย์ของท่านท่านสอนอย่างไรเราเพิ่งบวชใหม่เราเพิ่งบวชให ม, เเใหม่เรายังไม่ลึกซึ้งในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะพร ะ, พระอาชีเป็นพระหรหันด์แล้วนะแต่ท่านถ่อมตนนะเพราะท่านรู้ว่านี่นคือสารีบุตร เสียงดังกระเตืองเรื่องรือในกรุงราชจะคื อ, อ, อท่านกับท่านเห็ น, นท่านก็ทอมตนสาลิบุตรก็บอกว่าท่านเอาเถอะผมอยากจะฟังจดุดจุดสูงสุดแวว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้ศึกษามานะจุดไหนพระอาจารยชีก็บอกว่าเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุเพราะพระองค์ให้ดูที่เหตุดูที่เหตุดับที่เหตุ อมันมีเหตุเจ้ก่อนจะค่อยมีผลในเมื่อมันมีเหตุมันมันต้องมีเหตุที่ต้องดับตุกตุกนั้นต้องมองกูหาเหตุเข้ามันในเมื่อดับจนนั้นแหละนั่นแหละจุดนั้นแหละชีพเพราะพระเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวภาษาลิบุตรท่านก็น้อมมาถึงใจใจเป็นเหตุใหญ่เรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดท่านก็มาพิจารณาดูกําหนดถึงใจของท่านท่านได้สําเร็จพระโสดาบันในขณะนั้น อันนี้ก็คือเรื่องน่งแต่ต่อมากในพระพาหิธารุจริยะที่ท่านไปฟังธรรมเทศนากับพระพุทธเจ้าในกลางถนนกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เห็นทีแรกเขาก็ขอฟังธรรมเทศนาในกลางถนนพระพุทธองค์บอกว่ายัางยังไม่ใช่การภาหิยะเพระพเาะเขามีเกิดปีติคือความอิ่มใจ น้ำตานองหน้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว เ, ออเขาก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าพ ร, พระพุทธเจ้ากัสส ป, ปะที่เขาในเกิดในภพชาติคนก่อนของเขามันยังติดในจิตในใจเกออ็เไปถามที่สองอย่างอย่างไม่เป็นการอันควรพาหยิยะเพราะความปีติยังท่วมท้นในหัวใจของท่านอาจจะชิ่อยู่ พอครั้งที่สามปีติที่ความอิ่มใจลดปริมาตรเหมาะที่จะฟังทำได้เพราะพทะองค์บอกว่าพาหิยะตั้งใจฟังเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุดูที่เหตุปรับปรุงที่เหต์แล้วนั่นนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากเหต์ให้ดูที่เหตุแก้ไขที่เหตุตอนนี้พระพาหิยะท่านก็ดูที่ใจของท่านอีกเหมือนกัน ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อันนี้คือเราได้ยินสองท่านนี่แหละที่ว่าคิบ ป, ปพิญญาพวกรู้ได้เร็วจากนั้นกับโดยมากก็มีแต่ทันทาปิญญาหรือว่าไม่ถึงกับทันยากับทันทาปิญญาก็ถึงไกลๆอย่างพระอัญญาโกลทัญญะวะปะพะตัตยามาหานามอัจิชีนพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะจากกปะปวัตนสูตรโปรดปั จ, จวคีทั้งห้าจบธรรมจัก พระอัญยาโกลทันยะเสิยงใดเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับพระอัญญาโกลทัญยะก็รู้อีกเหมือนกันเแครว่าเห็นอนไรจังของไม่เที่ยงก็ดับที่ในดับที่ใจท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกจากนั้นท่านก็ได้ พ, ะ พ, ะพระพุทก็ได้แสดงอนัตต ร, รักณะสูตรขึ้นมาอีกจึงได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ทั้งห้ารูปปัจจุบันทั้งห้าจากนั้นท่าน ดาบทสามพี่น้องกู้รู้เวลาหน้าทีขยากัส ป, ปะสามพี่น้องบริวารคันหนึ่งสามกับหัวหน้าพันสามสามคนอันนี้พระตรองค์ก็ได้เทศอดิตตะปริยายสูตรตาไปเห็นรูปเกิดไฟเกิดราคะโทสะโมหะหูได้ยินเสียงเกิดราคะโทสะโมหะจมูกดมกินเกิด ดีใจไม่ดีดใจเสียใจเกิดราคะโทสะโมหะสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยมันออกเป็นทางหากินของออตัวกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่แหละอันนี้พระองค์ก็ท่านบอกว่าถ้าจักสู่ไปเห็นรูปถ้าเห็นสวยงามเกิดกิเลสราคะกินา ถ้าไปเห็นรูปขี้ร้ายกิเลห์เขาเบี้ยวปากเขาทำมากับกิริยสไม่พอใจให้กับเราเกิดโทสะขึ้นมาแล้วตาไปเห็นรูปเกิดโทสักขีนาเอแล้วก็เกิดความรุ่มหลงในรูปที่เราไปเห็ น, น่ะโมหักขีนาสรุปแล้วก็คือกิเลสราคะเนี่ยคือเป็นไฟเอกิเลสราคะเป็นไฟกิเลสโทสะเป็นไฟกิเลสโมหะเป็นไฟเป็นของร้อนอ่า เพระพระองค์เทศเทศท่านชาดินสามพี่น้องเพราะชาดินเหล่านั้นท่านบูชาไฟไม่ให้ขาดท่านก็เลยทำเลยเป็นพระอรหันต์อีกนะนี่ท่านถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่คิด ป, ปรญญาอีกเหมือนกันไอ้ข้าวอรทัดก็รู้ได้ช้าอยู่สอนเป็นจนถึงไม่ลู้ว่ากี่บาทพระคาถาท่านจะได้สำเร็จพระอรหันต์แต่ท่านยังไงท่านก็ได้สำเร็ จ, รร น, งง น, รจนี่แหละ อดนนีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านจึงสอนว่าโดยมากจะเป็นทันธาพิญญาพวกรู้ใจช้าเพราะนั้นต้องสอนตามขั้นตอนคือนั่งสมาธิพยายามทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนบังคับให้จิตใจเป็นสมาธิซะก่อนกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วผ่านความสงบแล้ว บ, บังคับนะั่นแหละคับไล่ไสออกจากสมาธิ ให้พิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วให้กลับมาหาสมาธิให้พักที่สมาธิให้ได้พอเข้าสมาธิแล้วออกไปให้พิจารณาในขณะที่นั่งเข้าสมาธิอย่าไปคิดพิจารณาในเมื่อพิจารณาอย่าทำอย่าให้จิตใจสงบให้พิจารณา เ, เว้นเสียแต่ว่าเมื่อเราพิจารณากระดูกของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้า ตลบไปตลบมาตลบมาตลบไปหลายเทีย่ยวหลายครั้งต่อหลายหนจากนั้นใจของเราเห็นกระดูกท่อนไหนกระดูกช่วงไหนกระดูกท่อนไหนในร่างกายของเราเนี่ชัดเจนเราเอาจิตใจของเราเอาความรู้สึกของเรากําหนดอยู่จุดนั้นจออยู่จุดนั้นเออเลยจะว่าเพ่งก็ได้จะไม่ถึงกับเพ่งเนาะกำหนดอยู่จุดนั้นกระดูกกับจุดที่เราเห็นที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเรา จากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งเพราะนั้นการภาวนาของพวกเราคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานจะต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางหรือเป็นผู้แนะนำสั่งสอนพวกเราจรึงจะรู้แนวทางในการบำเพ็ญเรื่องจิตภาวนาเพราะนั้นพระกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ท่านจะให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ของของของท่านเพราะสอนออกมาทางด้านจิตใจเอาใจสอนใจเออ่อยอมรับปฏิบัติแล้วก็เอายอมรับเลยว่าเออใช่เ อ, อที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดน่ถูกต้องเราก็ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็ได้รูออ้ถึงจะไม่รู้มากเหมือนท่านเออรรู้รูออ้ในระดับหนึ่งเราก็ยังเราก็เออ ก็ เ, เป็นที่พอใจบอกว่านี้าการแนะนําสั่งสอนของท่านเอเราได้รับความสุขความเย็นใจในการทําสมาธิที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือการภาวนาหมอกมองแล้วมันแต่ต้องได้นะลูกหลานนะใจของเราได้รับความสงบนะตัวผู้รู้นมามธรรม ใจของเราตัวรู้ๆเนี่ยนะ เ, เมื่อมันสงบแล้วนะมันจะมีความสุขนะที่ว่านัตทิสัตติป ร, รังสุขถังถ้าไม่หาที่ไหนหาอยู่ที่ตัวของเราเนี่นะมีความสุขจริงขณะที่จิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะจากนั้นก็เดินวิปัสสนาในเมื่อวิปัสสนา เ, เดินวิปัสสนาแ่จะเป็นกะเดิ่อเปิดปังนะเปิดปังเดียเด๋ยวเดี๋ยว เสียศูนเนี่ยเป็นบ้าเป็นบออีกได้มันง่ายง่ายเหมือนกันเน่ไอจุดนี่ยแะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้บังคับลูกศิษย์เนี่ยศิษย์อาจารย์ลูศิษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ยินจากครูบาอาจารย์เราทําไปเลยบางทีเมื่อก็อนนั้นเติร์เปิดเปิงเติร์นเปิงเปิดเปเรีเขาว่าทําแตกเป็นบ้าได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงฟังศึกษาและฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างวันนี้ล่ะ อพวกเราพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหานลูกพ่อเอานํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษามาแล้วนะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมทำดูนะหลวงพ่อเนี่ยบอกวันแนะนําหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนํานั้นไม่ผิดเ อ, อตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินได้เห็นผลมาแล้วนะและก็วันนี้ ผมพอได้กล่าวพินเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะจริง น, น, นะถ้าใครนั่งสมาธิแล้วก็นั่งต่อได้เลยเหลือจึงพ่อจะพานั่งสมาธิจากช่วระยะหนึ่งนะจะก่อนนะแล้วจึงค่อยออกจากสมาธินั่งให้คบสูตรอาการก็ไม่อากาศก็ไม่ร้อนหวัดอากาศเย็นสบายๆนะนั่งสมาธินะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วหรือว่าใครจะพิจารณา กระดูกก็ได้แล้วพิจารณาร่างกายก็ได้ตามอัธยาศัยนะถ้าหอบผู้ที่ต้องการจากจะให้จิตใจสงบก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธหรือว่านับตัวเลขก็ได้ถ้ามันจิตใจมันยังไม่อยู่กับตัวไม่อยู่มันอยู่ไม่อยู่นิ่งหายใจเรานับหนึ่งนับสองไปเรื่อยนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการ ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบมีหลายวิธีนะ